เกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วเรื่องที่สข้อควรทราบ พ, พิเศษบางอย่างเกี่ยวกับกุศลและอกุศลข้อหนึ่งกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่กันได้คนบางคนหรือบางคราวมีศรัทธาหรือได้บำเพ็ญทานหรือรักษาศีลหรือเป็นผู้มีปัญญาเป็นต้นอันเป็นกุศล แล้วเกิดความลำพองในความดีเหล่านั้นถือเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นความลำพองก็ดียกตนข่มผู้อื่นก็ดีเป็นอกุศลอย่างนี้เรียกว่ากุศลเป็นปัจใจแก่อกุศลบางคนบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานแล้วเกิดราคะคือติดใจในฌานนั้นบางคนเจริญเมตตาเพียรตั้งความปรารถนาดี มองคนในแง่ดีบางทีประสบอารมณ์ที่น่าปรารถนาเมตตานั้นเลยให้ช่องช่วยให้ราคะเกิดขึ้นโดยง่ายแล้วอาจตามมาด้วยอากุศลธรรมอื่นอีกเช่นฉันทากติเป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศลศรัทธาเป็นกุศลธรรมทำให้จิตใจผ่องใสและมีกำลังพุ่งแล่นแนวไป แต่เมื่อปฏิบัติต่อศรัท ธ, ธานั้นไม่แยกคายก็อาจกลายเป็นเหตุให้เกิดทิฐิและมานะยึดถือว่าของตนเท่านั้นจริงแท้ของคนอื่นมีแต่เท็จอาจถึงกับก่อความวิวาสบาดหมางเบียดเบียนกันนี้ก็เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลบางคนมีราคะอยากไปเกิดในสวรรค์จึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นผู้มีศีล บางคนมีราคะอยากได้ความสุขสงบทางจิตใจจึงบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานสมาบัติเด็กบางคนมีราคะอยากให้ผู้ใหญ่ชมว่าเป็นคนดีจึงพยายามประพฤติตัวให้ดีมีศีลมีวินัยนักเรียนบางคนมีราคะอยากสอบได้ดีจึงเกิดฉันทะและขยันเล่าเรียนสแสวงหาความรู้คำว่าราคะในสี่ตัวอย่างที่ว่ามานี้ จะใช้โลภะแทนก็ได้และเข้ากับความรู้สึกของคนไทยดีกว่าแต่ที่ใช้อย่างนี้เพื่อคงคำเดิมไว้ตามคำภีปัจฐานกับทั้งจงใจใช้เพื่อแก้กความเข้าใจความหมายอย่างคับแคบอย่างที่รู้สึกกันในภาษาไทยบางคนเกิดความโกรธเผาล่นตัวขึ้นแล้วบางคราวจึงเกิดปัญญาเข้าใจชัดถึงโทษของความโกรธนั้นบางคนโกรธแค้นศัตรู จึงเกิดความเห็นใจคิดช่วยเหลือผู้อื่นบางคนเกิดความกลัวตายขึ้นแล้วสำนึกได้หายตรณีมีจิตใจเผื่อแผ่เสียสละตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปคนอีกบางคนมีความกลุ้มใจเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธาในธรรมอย่างนี้เรียกว่าอากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่ง พ่อแม่เตือนไม่ให้ไปมั่วสมกับหมู่เพื่อนอย่างไม่ระวังแต่ไม่เชื่อฟังต่อมาถูกเพื่อนร้ายคนหนึ่งหลอกทาให้ติดยาเสพติดพอรู้ตัวทั้งโกรธแค้นทั้งเศร้าเสียใจขุนหมองเกิดความเข้าใจในคำเตือนของพ่อแม่และซาบซึ้งต่อความปรารถนาดีของท่านตอนนี้อากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศล เป็นเหตุให้ยิ่งเสียใจประดังโกรธเกลียดชังตัวเองตอนนี้กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลเมื่อกุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศลหรืออากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลนั้นขณะที่กุศลเกิดจิตมีสุขภาพดีขณะที่อากุศลเกิดจิตใจเสียหายขุ่นคล้องสภาพจิตดีไม่ดีเช่นนี้อาจเกิดสลับกันไปมาอย่างรวดเร็ว จึงต้องรู้จักแยกออกเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างไรก็ตามเรื่องกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่กันนี้ได้กล่าวในที่อื่นบ้างแล้วจึงแสดงเป็นตัวอย่างแต่เพียงเท่านี้ข้อควรทราบ พ, พิเศษบางอย่างเกี่ยวกับกุศลและอกุศลข้อที่สองบุญและบาปกับกุศลและอกุศลบุญและบาป กับกุศลและอกุศลบางทีใช้แทนกันได้บางทีใช้แทนกันไม่ได้จึงเป็นเหตุให้เกิดความสับสนว่าความหมายของทรามสองคู่นี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรในที่นี้มิใช่โอกาสที่จะอธิบายเรื่องนี้โดยตรงจึงจะกล่าวไว้พอเป็นแนวทางความเข้าใจบุญมีความหมายตามรูปสัพที่ท่านนิยมแสดงกันไว้สองอย่างคือ ความหมายที่หนึ่งหมายถึงเครื่องจำระสันดานคือจำระพื้นจิตใจให้สะอาดและความหมายที่สองแปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลคือภพที่น่าชื่นชมนอกจากนี้บางแห่งยังแสดงความหมายอื่นไว้อีกว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความน่าบูชาและว่าสิ่งที่ยังอัจฉยาใสหรือความประสงค์ของผู้กระทำให้บริบูรณ ส่วนบาปมักแปลาตามรูปสั์ว่าสิ่งที่ทำให้ถึงวัตทุหรือสิ่งที่ทำให้ถึงทุกติคือเท่ากับสิ่งที่ทำให้ตกไปในที่ชั่วคำแปลาสามัญของบาปคือลามกต่าซามหรือเลวบางครั้งใช้เป็นคำวิเศษของวิบากแปลว่าทุกขหรืออนิจฉะสะกดว่า อ, อ่างนอนหนูสะ ร, ระิตอปตักถอฐานที่แปลว่าไม่น่าปรารถนาก็ได้ที่กล่าวมานั้นเป็นความหมายที่นักศัทศาสตร์คือนักภาษาแสดงไว้ซึ่งเป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นจึงควรทราบความหมายในแง่ของหลักธรรมแท้ๆด้วยเมื่อว่าโดยความหมายอย่างกว้างที่สุดบุญมีความหมายเท่ากับกุศล บาปก็มีความหมายเท่ากับอกุศลแต่ในการใช้จริงบุญและบาปมักปรากฏในความหมายที่จำกัดแคบและจำเพาะแง่มากกว่ากุศลและอกุศลกล่าวได้ว่าบาปใช้ในความหมายเท่ากับอกุศลมากกว่าที่บุญใช้ในความหมายเท่ากับกุศลแต่ที่ปรากฏบ่อยก็คือกุศลใช้ในความหมายเท่ากับบุญ ความที่ว่านี้เป็นอย่างไรพึงพิจารณาต่อไปบาปที่ท่านใช้ในความหมายเท่ากับอกุศลแห่งสำคัญคือในสัมมปทานสข้อหนึ่งและข้อสองซึ่งบาปมากับอกุศลธรรมดังที่ว่าเพียรป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดและเพียรละบาปอากุศลธรรมที่เกิดแล้วแต่ในข้อสและข้อสี่ บุญไม่ได้มากับกุศลธรรมด้วยกล่าวถึงแตกกุศลธรรมดังที่ว่าเพียงเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและเพียงรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมหายหากให้เพิ่มขึ้นไปจนภัยบณ์พูดอย่างสรุปความสั้นๆว่าบุญมีความหมายไม่เท่ากับกุศลถ้าแบ่งกุศลเป็นสองระดับคือโลกิยะกุศลและโลกุตระกุศล โดยทั่วไปบุญใช้กับโลกิยกุศลหรือมิฉะนั้นถ้าจะหมายถึงระดับโลกุตระก็ใส่คำขยายกำกับไว้ด้วยเช่นว่าโลกุตระบุญซึ่งไม่ได้เป็นคำที่นิยมใช้แต่ประการใดพบในอัตถกถาแห่งหนึ่งและในดีกาที่อธิบายต่อจากอัตถกถฐานั้นเท่านั้นมีบาลีหลายแห่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงโอปาิก บ, บุญ คือบุญที่อำนวยผลแก่เบญจขันธ์ซึ่งได้แก่บุญที่เป็นโลกิยะส่อความว่าน่าจะมีอนโนปาติกาบุญหรือนิรรปาิบุญที่เป็นโลกุตระเป็นคู่กันแต่ก็ไม่ได้ปรากฏมีชื่ออนโนปาิกาบุญหรือนิรูปาิบุญในที่ใดเลยตรงกันข้ามแทนที่จะมีอนโนปาิกาบุญหรือนิรรปาิบุญมาเข้าคู่เข้าชุดกับโอปาิกบุญ กลับกลายเป็นว่าในพระบาลีแห่งหนึ่งของพระสูตรเดียวกันคือในจวะมานสูตรขุตการนิกายอิติวุตกะมีนิรรปะที่กุศลกุศลที่เป็นโลกุตระมากับโอปะที่กบุญบุญที่เป็นโลกิยะขอยกมาให้ดูดังนี้ในจวะมานสูตรขุตการนิกายอิติวุตกะ พระองค์ตรัสถึงเทวดาผู้จะต้องจุติจะปรากฏนิมิตห้าประการเทวดาทั้งหลายที่ทราบจะมาแนะว่าแน่ท่านผู้จเจริญขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติคือเป็นมนุษย์หนึ่งครั้นไปสู่สุคติแล้วขอจงได้ลาบคือได้ศรัทธาในพระสัทธรรมหนึ่งครั้นได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วขอเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีหนึ่ง ในตอนท้ายมีคำแนะนำอีกว่าท่านจงทำให้มากทั้งด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจซึ่งนิรูปะที่กุศลอันประมาณไม่ได้แต่นั้นครั้นทำโอปะทิกะบุญให้มากด้วยทานแล้วท่านจงบำเพ็ญธรรมทานชักจูงแม้คนอื่นๆให้ตั้งอยู่ในสัตยธรรมในพรมมจรรยะเป็นอันว่าเมื่อมองดูโดยทั่วไปแล้ว ก็จะเห็นว่าคําว่าบุญนั้นท่านใช้ในความหมายของโอปัติกบุญนั่นเองคือถึงจะไม่ได้เขียนคําว่าโอปัติกะกํากับไว้แต่ก็มีความหมายเท่ากับเขียนโอปัติกะอยู่ด้วยหมายความว่าตรงกับโลกิยะกุศลนั่นเองข้อนี้เท่ากับพูดว่าคําว่าบุญที่ใช้ทั่วไปมีความหมายอยู่เพียงขั้นโลกิยะเท่ากับโลกิยะกุศล หรือกุศลขั้นโลกีบุญจึงเท่ากับเป็นความหมายส่วนหนึ่งของกุศลไม่ครอบคลุมเท่ากับกุศลซึ่งมีโลกุตระกุศลด้วยและอัตตกถาน้อยแห่งเลอเกินจะไขความบุญว่าเท่ากับกุศลทั้งหมดพระอัตกฐาจารย์ท่านสังเกตการใช้คำว่าบุญแล้วแสดงความหมายไว้ให้เห็นแง่ด้านที่ละเอียดลงไปอีกดังในคมภีปรมัตตทีปนี อัตถคถาอิติบุตกะแสดงความหมายของคำว่าบุญไว้ห้าอย่างคือ 1. หมายถึงผลบุญคือผลของกุศลหรือผลของความดีเช่นในข้อความว่าเพราะการสมาทานกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุบุญย่อมเจริญเพิ่มพูนความหมายที่สองหมายถึงความประพฤติสุจริต ในระดับกาหมาวจรและรูปาวจรเช่นในคำว่าคนตกอยู่ในอวิชชาหากปรุงแต่งสังขารที่เป็นบุญความหมายนี้ตรงกับคำว่าปุญญาพิสังขารความหมายที่สมหมายถึงภพที่เกิดซึ่งเป็นสุคติพิเศษเช่นในคำว่าวิญญาณที่เข้าถึงบุญความหมายที่สี่ หมายถึงกุศลเจตนาเช่นในคำว่าบุญกิริยาวัตถุคือเท่ากับกุศลกรรมความหมายที่ห้าหมายถึงกุศลกรรมในภูมิสามเช่นในคำว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยข้อนี้ตรงกับคำว่าโลกิยะกุศลนั่นเองพึงเข้าใจเพิ่มเติมว่าบุญเป็นโลกิยะ เว้นแต่จะมีคำระบุกำกับไว้เป็นอย่างอื่นเช่นว่าโลกุตระบุญความจริงข้อที่ห้าเป็นความหมายหลักตรงกับคำอธิบายในมหานิเทศที่ว่ากุศลาพิสังขารในไตรธาตุคือกามทธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเรียกว่าบุญอกุศลทั้งหมดเรียกว่าอาบุญคือบาป พูดด้วยคำที่เข้าใจง่ายว่าบุญได้แก่กุศลที่เป็นโลกีบาปได้แก่อากุศลทั้งหมดกุศลมีทั้งโลกิยะและโลกุตระแต่อากุศลมีเฉพาะโลกิยะอย่างเดียวบุญและบาปเป็นโลกิยะด้วยกันทั้งหมดพูดยักย้ายอีกอย่างหนึ่งว่าบุญมีแต่โลกิยะอย่างเดียว อกุศลมีทั้งโลกิยะและโลกุตระบาปและอกุศลเป็นโลกิยะทั้งสิ้นทั้งนี้ได้ในคำว่าไม่ติดในบุญและในบาปหรือละบุญละบาปลอยบุญลอยบาปได้แล้วซึ่งเป็นลักษณะจิตของพระอระหันต์พึงสังเกตด้วยว่าตามคำอธิบายในมหานิเทศนั้นคำกล่าวที่ว่า พระอระหันต์ละทั้งบุญและบาปลอยบุญลอยบาปหมดแล้วหรืออยู่เหนือความดีและความชั่วนั้นมีความหมายว่าละบาปและละบุญคือโลกิยะกุศลเท่านั้นหาได้ละโลกุตระกุศลด้วยไมย่ที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเมื่อคำว่าบุญกับกุศลมาด้วยกันกุศลมักมีความหมายเท่ากับบุญจึงหมายความว่า ในกรณีเช่นนี้คาว่ากุศลถูกใช้ในความหมายแคบลงเท่ากับบุญคือเป็นเพียงโลกิยกุศลเท่านั้นเช่นในคำว่าปุญญาพิสันทะกุสลาพิสันทะในปุญญาพิสันทะสูตอังกุตรนิกายสัตตการนิบาตมีพุทธพ์ว่าอัตติเมพิเกเวปุญญาพิสันทากุศลาภิสันทาสุขัสาหารา แปลว่าดูกระตะพิสุท์ทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลแปดประการนี้นำความสุขมาให้เป็นต้นหรือในอักขิสูตรที่สองอังคุตรนิกายสัตตการนิบาทพระองค์ตรัสถึงผู้ทำการบูชายันเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายันในการบูชายันเบื้องต้นย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่าต้องฆ่าโคเท่านี้ตัวแพะเท่านี้ตัว แกะเท่านี้ตัวเพื่อบูชายันแล้วตรัสว่าโสปุญญังกรโรมีติอปุญญังกรโรติกุสลังกรโรมีติอากุสลังกรโรติแปลว่าเขาคิดว่าจะทำบุญกลับไพล่ไปทำอาบุญคิดว่าจะทำกุศลกลับใพล่ไปทำอากุศลเป็นต้น ลักษณะสำคัญของโลกิยะกุศลหรือบุญนี้ก็คือการที่ยังเกี่ยวข้องกับผลที่เป็นอามิตรไม่ใช่เรื่องของความหลุดพ้นเป็นอิสระหรือการทำลายกิเลสโดยสิ้นเชิงตัวอย่างเสริมความที่กล่าวแล้วมีเป็นอันมากเช่นในบาลีเมื่อกล่าวถึงภิกษุคิจลาสิกขามักกล่าวว่าจะศึกไปกินใช้โภกระซย์และทาบุญทั้งหลาย และชีวิตชาวบ้านที่ดีก็ถือกันว่าได้แก่ชีวิตเช่นนั้นคือกินใช้โภกทรัพย์และทำบุญคำว่าบุญในกรณีเช่นนี้ก็หมายถึงการทำความดีต่างๆเช่นเพื่อแผ่แบ่งปันให้ทานประพฤติดีมีศีลเป็นต้นตรงกับคำว่ากุศลกรรมหรือในข้อความว่าบุญมีอุปการะแม้แก่ผู้เป็นเทพแม้แก่ผู้เป็นมนุษย์ แม้แก่บันปชิตก็มีความหมายทำานองเดียวกันส่วนในพุทธพจน์ว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญก็หมายถึงผลหรือวิบากที่น่าปรารถนาของกุศลกรรมหรือการทำความดีหรือในคำว่าตายเพราะสิ้นบุญที่มาจากศัพท์ว่าบุญยักษ์ขยะมรณะหรือบุญไขมรณะ ก็หมายถึงหมดผลบุญหรือสิ้นวิบากของกุศลกรรมที่ปรุงแต่งกำเนิดนั้นนั่นเองความหมายของคำว่าธรรมที่เท่ากับบุญก็คือความหมายในแง่ที่สัมพันธ์กับการไปสวรรค์เช่นเดียวกับที่อาธรรมเท่ากับบาปในความหมายที่สัมพันธ์ ก, นกับการไปนรกเป็นอันสรุปได้ว่าแม้ว่าบุญกับกุศลและบาปกับอกุศลจะเป็นวัยพ์กัน แต่ในการใช้จริงโดยทั่วไปกุศลมีความหมายครอบคลุมที่สุดกว้างกว่าบุญคำทั้งสองจึงใช้แทนกันได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนบาปกับอากุศลมีความหมายใกล้เคียงกันมากกว่าจึงใช้แทนกันได้บ่อยกว่าแต่กระนั้นก็มักใช้ในกรณีที่ให้ความรู้สึกที่ตรงข้ามกับความหมายแง่ต่างๆของบุญโดยในยะนี้ในยะที่หนึ่ง กุศลใช้ในแง่การกระทาคือกรรมก็ได้มองลึกลงไปถึงตัวสภาวะธรรมก็ได้ส่วนบุญมักเล็งแต่ในแง่กรรมคือการกระทำดังนั้นคำว่ากุศลกรรมก็ดีกุศลธรรมก็ดีจึงเป็นคำสามัญแต่สำหรับบุญเราพูดได้ว่าบุญกรรมคือกรรมที่เป็นบุญไม่ใช่บุญและกรรมถ้าพูดว่าบุญธรรม จะแปลกหูและไม่รู้สึกเป็นคำศัพทางธรรมส่วนบาปกับอกุศลจะพบทั้งอกุศลกรรมอกุศลธรรมบาปกรรมบาปธรรมนัยยะที่สองในแง่ที่พิเศษบุญหมายถึงผลของบุญหรือวิบากของกุศลกรรมแม้ในกรณีที่มิได้หมายถึงผลหรือวิบากโดยตรง บุญก็ใช้ในลักษณะที่สัมพันธ์กับผลหรือให้เกิดความรู้สึกเพ่งเลงถึงผลตอบสนองภายนอกหรือผลที่เป็นอามิตรเฉพาะอย่างยิ่งความสุขและการไปเกิดในที่ดีๆนัยยะที่สมด้วยเหตุที่กล่าวมานั้นการใช้คำว่าบุญจึงมักจำกัดอยู่เฉพาะในระดับโลกิยะเป็นโอปะทิกบุญ คือเป็นโลกิยะกุศลเท่านั้นกรณีที่กินความถึงโลกุตระกุศลหาได้ยากอย่างยิ่งนอกจากนี้มีข้อสังเกตสำหรับผู้สนใจทางวิชาการอาจศึกษาค้นคว้าต่อไปคือบุญและบาปเป็นคำที่มีใช้แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วในพุทธการและมีความหมายในทางโชคและความศักดิ์สิทธิ์ป่นอยู่ด้วย พระพุทธศาสนารับเข้ามาใช้ในความหมายเท่าที่ปรับเข้ากับหลักการของตนได้ส่วนกุศลและอกุศลเดิมใช้ในความหมายอย่างอื่นเช่นฉลาดชำนาญคล่องแคล่วสบายดีมีสุขภาพเป็นต้นพระพุทธศาสนานำเอามาบัญญัติใช้สำหรับความหมายต้องการของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะและโดยในยะนี้ กุศลและอกุศลจึงเป็นศัพทวิชาการทางธรรมอย่างแท้จริงส่วนบุญและบาปท่านมักใช้อยู่ในวงแห่งคำสอนสำหรับชาวบ้านหรือชีวิตของชาวโลกพึงสังเกตว่าในอภิธรรมปิดกตามปกติท่านไม่ใช้คำว่าบุญและบาปยกเว้นแต่บาปที่เป็นคำประกอบขยายคำว่าอากุศลและบุญในคำว่าปุญญาพิสังขาร ซึ่งมีความหมายตามที่บัญญัติขึ้นโดยเฉพาะและในอัตถกถาอภิธรรมท่านใช้บุญกิริยาวัตถุสิ์อธิบายเรื่องกามาวจกรกุศลจิต